ตอนไปกินข้าวใครเห็นทุกข์มั้งตอนไปทานข้าวเมื่อกี้มีพวกเราคนไหนเห็นทุกข์มั้งเห็นร่างกายเป็นทุกข์ไปกินข้าวหรเห็นแต่อร่อยทำไมต้องกินเหนื่อยนะอืม <c oughs> ลําบากต้องไปเข้าแถวต้องไปเลยนะแล้วก็ต้องไปห้องน้ำํลำลําบากไหมลําบาก แต่ถ้าใจลอยๆไม่ลำบากเนี่ยไปเข้าแต่ว่าคุยไปเรื่อยๆไม่เห็นจะลำบากนะกินข้าวไปเพลินๆ อ, อร่อยเนสติพยายามฝึกนะในทุกๆอิริยาบถในทุกๆการกระทำเท่าที่ทำได้ให้มากที่สุดที่ทำได้ไม่ถึงตลอดวันหรอก วันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เวลาไปทํางานที่ต้องใช้ความคิดนหลายชั่วโมงไปนะเวลาทํางานที่ใช้ความคิดนั้นตัดทิ้งไปเลยเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับโลกทํามาหากินเป็นเครื่องอาศัยในเวลาที่เหลือเราอย่าทิ้งเปล่าเปาตอนเป็นทานข้าวเมื่อกี้มีใครเจริญสติบ้างไห้ยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิยกมือหนอ ย, ยกสูงๆเลยเราแก่แล้วเรา ไม่ดูไม่ทันตอนกินข้าวใครรู้สึกยินดีบ้างมีไหมอาหารคำนี้ยินดีอาหารคำนี้เฉยๆอันนี้อันนี้ใครดูเห็นบ้างมีไหม ย, ยกมือซิเ <c oughs> <c oughs> นเวลาพวกนี้นะถ้าเราไม่ทิ้งนะเราจะได้เยอะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งโดยสถานะของเราเราเป็นคารวะ วันๆเนี่ยยุ่งกับเรื่องทาอาหากินเยอะแยะเลยยุ่งกับเรื่องในครอบครัวเยอะแยะเลยเรามีเวลาเหลือนิดๆหน่อยๆนะอย่างไปเข้าแถวที่ตักอาหารอะไรเงี้ยนะเข้าแถวเข้าห้องน้ำนั่งอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยนะยืนปัสสาวะอะไรเงี้ยนะเราอย่าไปทิ้งเวลาพวกนี้เก็บให้หมดเลยนะคอยรู้สึกไปเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทางาน หลวงพ่อเวลาภาวนาภาวนามาตั้งแต่เป็นโยมนะเก็บหมดนะเวลาเล็กๆน้อยๆ ย, ยกเว้นแต่เวลาหลงไปมันก็มีไม่ใช่ไม่มีเวลาหลงมันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าตอนไหนไม่หลงเป็นนะไม่ยุ่งกับโลกมันไม่หลงเก็บหมดเลยนาะทีสองนาทีนะจะกินข้าวจะเดินขึ้นบันไดนะจะปัสสาวะจะทําอะไรดูตลอดเลยอย่าทิ้งนะเวลาเยอะมากเลย เรารู้สึกว่านิดเดียวสองสานาทีอะไรเนี่ยแต่รวมเราจะมากท่านหลวงพ่อไปภาวนาตามวัดครูบาอาจารย์ส่งกันบ้านท่านนะส่งกันบ้านท่านตอบให้ท่านแนะนำทางปฏิบัติให้แล้วอะไรนะกราบท่านออกมาข้างนอกกุฏิบางองามาถามมายมทำได้ไงพระทำทั้งวันทั้งคืนนะ ทำหามรุ่งหามคำ่ำเลยทำตั้งยี่สิบปีสิบปียี่สิบปีไม่เท่าที่โยมทําำบอกผมทําตลอดนะทําตลอดเลยตั้งแต่ตื่นนะเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นตั้งแต่ใจมันเริ่มขยับขึ้นมาสู่อารมณ์ภายนอกเห็นใจค่อยๆเ ค, ค, คลื่อนเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตซ์ปุ๊บมองเห็นร่างกายแรกยังไม่เห็นร่างกายเห็นจิตมันทํางานขึ้นมาก่อน พอมันทำงานเต็มที่เหมือนเปิดสวิตไฟแล้วปุ๊บขึ้นมาก็เห็นร่างกายรู้ลงไปเลยเห็นร่างกายที่นอนอยู่อยู่ท่าไหนท่าไหนก็รู้หมดนะลุกขึ้นมาจะเคลื่อนไหวจะทําอะไรจะอาบน้ําจะเข้าห้องน้ําะจะแต่งตัวค่อยดูของเราเรื่อยไปจะกินข้าวก็ดูขึ้นรถเมล์ก็ดูขึ้นรถเมลเม์สบายนะดีอย่างดูง่ายมีภาษสาให้ดูเยอะเลยเวลาขึ้นรถเมล์ เช่นรอรถเมล์แล้วรถไม่รถเมล์ไม่มามีความรู้สึกไหมรอแล้วไม่มารู้สึกไงสดชื่นดีมาช้าชได้ ย, ด ย, ยืนเล่นเล่นไม่ใช่กลัวไปทำงานไม่ทันใจกระสับกระสยัยรู้ว่ากระสับก ร, รยอยากให้มันมาเร็วรู้ว่าอยากรถเมล์มาแล้วไม่ยอมจอดเลยรู้สึกไงดี เธอคงจะไปธุระไม่เป็นไรรีบไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอกันหลังไม่หลอกด่าเลยนะแต่ด่าในใจถ้าเห็นน่ะโทสะมันเกิดเนี่ยโทสะมันเกิดรถเมยว่างๆมันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดถ้ามันจอดเก่งมันก็ไม่ว่างเห็นรถเมยว่างมาดีใจแล้วมันหนีไปธรรมดามันว่างได้เพราะมันไม่ค่อยจอด ขึ้นล้เมย์ได้ดีใจไหมเมืมสมัยก่อนล้เมย์คนมันแน่นนะก่ขอกระไดได้ก็ดีใจล้วเดี๋ยวนี้ยังมีไหมต้องก่อกระได้ล้เมย์มีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมยังมีอีกเหรอไม่พอใช้เนาะมีรถบนดินใต้ดินเยอะแยะแล้วะก่อบนันไดได้ก็มีความสุขแล้วก่อไปนานๆไม่สุขนะต้องขึ้นขึ้ น, นลงลงตลอดนะคนมันขึ้นลงชักลำคาญแล้ว ดูอย่างนี้เลยนะไปถึงที่ทำงานทันเวลาดีใจ เ, เดินเข้าไปตอนนั้นทำงานในธรรมเนียบนะต้นไม้ดอกไม้สวย<ม>เข้าไปก็ต้นหมากรากไม้เยอะนกเยอะ ม, มีกระทั่งอีกาเนะี่ยอีกาแต่เดิมมันอยู่เขาดินอะเขาดินแล้วก็เข้าไปสวนจิตอะไรเงี้ยทีก็หากินล้าแดนเข้ามาถึงในธรรมเนียบ มาทำรังนะมาออกไข่ตำรวจนะมันสนมีตำรวจคนหนึ่งไปขโมยไข่อีกาตอนแม่อีกาไม่อยู่นี่แม่มันมาเห็นพอดีว่าเอาไข่ไปนะปีนลังมันเห็นนะ่ะตั้งแต่นั้นนะเจอตำรวจนะไล่ตีตลอดเลยมันจำไว้ถ้าใครแต่งตัวอย่างนี้ต้องตีไว้ก่อนไว้ใจไม่ได้อนะไรเงีนะ้ยสัตว์ก็ทุกข์นะ คนยังไปเบียดเบียนให้มันทุกข์เยอะขึ้นอีเนี่ยพอเข้าไปที่ทํางานในโน้ต้นไม้สวยใจเราชอบรู้ว่าชอบมีความสุขเห็นนกกระจอกอยู่ฝูงนึงในสนามหญ้านะหานกดีๆ ด, ดูไม่ได้ในกะรุงเทพอ่ะที่นี่นกเยอะนะนกสวยๆเยอะมากเลยใครรู้จักนกแต้วแล้วบ้างมีไหมใครเคยเห็นยกเว้นพี่วัยพี่วัยนี่เห็นกระทั้งปลาฉลามให้ <c oughs> <c oughs> นกแต้วแล้วนี่เรื่องธรรมดาสวยนะ ใครเคยเห็นนกตะขาบทุ่งมั้งโอ้ช่้ยังไม่เคยได้ยินเลยเนาะสวยนะนกพวกนี้ใครเคยเห็นนกโพกระดกมั้งร้องฮกปกฮกปกอะถ้านั่งดีๆบางทีก็ได้ยินนะจะรไองไเห็นนกนะมีความสุขพอใจรู้ว่าพอใจตอนนั้นเห็นแต่นกกระจอกไก่อีกาไม่เห็นมีนกอื่นนะอย่างมากก็มีนกเอี้ยงเห็นนกกระจอกมันกินหญ้าเม็ดหญ้านะ น่ารักนะดูสัตว์ทั้งหลายแนละ้ว่าน่ารักถ้าใจเราเกิดความสุขขึ้นมามีความการุณาให้มันเราก็รู้ถันเนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติทั้งวันเลยปฏิบัติไปด้วยทำงานอยากจะรีบทํางานให้เสร็จโทรศัพท์มาอีกแล้วหงุดหงิดไม่อยากรับโทรศัพท์เลยนะพวกเราเคยเป็นไหมโทรศัพท์มาแล้วลำคานมีพยักหน้าเยอะเลยพวกที่พยักหน้ามีโทรศัพท์กี่เบอร์ ยิ่งลำคาญยิ่งมีเยอะนะการพกยังกับมีปืนรอบรอบตรวเดีย๋ยวนี้เครื่องหนึ่งก็มีหลายสิมใช่ไเบอร์ mm hmm. เดียวยังลำคาญจะแย่เลย mm hmm. นี่ยเราเคอยรู้ไปนะใจเราลำคาญขึ้นมาเราก็รู้ใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกเราก็รู้นะใจเราเป็นยังไงก็รู้กระบวนกระวายขึ้นมาก็รู้นะดูไปเรื่อยหัดนะดูทั้งวันนะในเพศของคารวาสนี่แหละ ครัวบ้านมีชุดเด่นอยู่อย่างนะจิตแขว่งบ่อยแข่งทั้งวันเลยเพราะพัรษารุนแรงเป็นพรานนะไม่ค่อยมีอะไรซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซากซากเหมือนกันทุกวันเลยนะกินข้าวก็น่าเดิมนะบาดใบเดิมนะไม่มีน้ำพริกถ้วยเก่าถ้วยใหม่ไม่มีนะทุกอย่างอันเดิมหมดเลยไปไหนก็มีอยู่ชุดเดิมนะรองเท้าก็คู่เดิมนะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยวันวันหนึ่งนะออื อยู่ก็อยู่อย่างเก่ากนะิ จ, จวัดแต่ละวันก็ทำเหมือนเดิมนะเวลานี้ไปสวดมนต์เวลานี้ไปกวาดวัดอะไรเงี้ยซ้าๆๆ้ ำ, ำนะไม่ค่อยมีความกัดแหว่งนะในขณะที่คราวาสจิตแกว่งเร็วถ้าเรามีสติตามรู้นะคือทำกันบ้านทั้งวันเลยนะไม่ช้านะคราวาสในขั้นธรรมาขั้นต้นๆโสดาสกตาคาเนะี่ยคราวาสไม่ได้ช้ากว่าพระหรอกนะ จะไปยากตอนท้ายๆ ข, ขึ้นอนาคตเนี่ยคารวะยากแล้ลาวคารวะไม่เห็นกรมโทษเห็นแต่กรรมมาคุณเคยได้ยินไมคำว่ากรารมมาโทษได้ยินยังไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่กรรมคุณใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอนะไรเนาะมันมีมาปลนเปลยเยอะจะให้ใจเห็นทุกเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสผละผ้าอะไรพวกนี้เห็นยากมันรอริระรอยอยู่นะ เป็นพระเนี่ยจะเห็นเลยถ้ากามเกิดขึ้นในใจนเนะต็มไปด้วยความทุกข์อยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะบางองค์จีวรไม่ค่อยดีอยากได้จีวรใหม่นะรอนานเลยไม่ได้สักนทะนะีหาไม่ได้กนะ็มั น, ม, นมันไม่เหมือนโยมนะเพราะงั้นไม่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเวลาเกิดความอยากใดๆขึ้นมานะ แค่อยากกินขนมเนี่ยมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งอยากกินขนมตาล น, นะเป็นฆราวาสเนี่ยขับรถไปที่โน้นที่นี่นะที่มันเคยขายนะปรากฏว่ามันไม่ไม่ขายวันนั้นไม่มีบุญพอนะแต่อย่างพระอยากกินขนมตาลทํำยังไงอ่ะรอใช่ไหมรอเอ อ, อวันหนึ่งคงจะมาเนี่ยพอได้มาบินธบาตมาวันนี้ได้ขนมตาลมาอาหารเทรวมกันพระหัวแถวเอาไปแล้วเนี่ยเจ็บใจนักองนี้ ของดีมาทีไรเอาไปกินก่อนทุกทีก็ต้องกินก่อนสิเพระยิบก่อนเนะเาะเพาไม่ใช่เรื่องแปลกนั้นคารวะนะมันตามใจกิเลสตลอดเลยไม่เห็นทุกเห็นโทษเวลากิเลสเกิดพระเนี่ยเวลากามเกิดนะอยากกินอยากนอนอยากสุกอยากสบายเลยเม่นไม่ได้เวลากามเกิดเนีย่ยรู้เลยมันมันทุกข์กามนีน่นำความทุกข์มาให้เห็นแต่กามมาโทษไม่เห็นกามมาคุณสักทีเลยนะ งั้นเวลาต่อสู้กันเนี่ยในขั้นที่ละเอียดขึ้นไปขนาดนี้นะคารวะสู้ยากพระพุทธเจ้าท่านเทียบคารวาเนีเหมือนไม้สดๆแช่อยู่ในน้ำนะเอามาจุดไฟไม่ค่อยจะติดนะติดยากอย่างพระนักปฏิบัตรริรักษาศีลประพฤติโฟมจนันอะไรนี้เหมือนไม้แห้งอยู่บนบกติดไฟง่ายนะแต่ในขั้นต้นๆไม่เกี่ยวนะขั้นละเอียดขึ้นไปเนี่ยคารวะทยาก คารวาสบรรลุพระอรหันต์ได้ไหมได้แต่เปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะในพระไตรปิฎกมีนะมีศีหา ม, มาดเนี่ยมีพระเจ้าสุดโทท น, นะมีพาหิยะอะไรเงี้ยมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีนับตัวได้เลยนะพระมีเยอะกว่าเพราะว่าภาวนาขั้นแตกหักนี่ยากมากนะมันละเอียดมันประณีตมากเลยถ้ายังรักกระทั่งความสุขความสงบนะก็ยังไม่ได้เลยพวกเรา ไม่เห็นหรอกเราชีวิตเราไม่เคยมีความสุขความสงบนะเรายังไม่เห็นเลยว่าเราติดใจในความสุขความสงบที่ประณีตลึกซึ้งจริ ง, รงดูยากเพราะเรามีแต่วุ่นวายนะได้สงบนิดหน่อยเราก็ว่าดีแล้วเนี่ยพระพอถึง่านขั้นพระนาคานั้นทนะ่านเด่นดวงจิตขอท่านเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ต้องรักษาเลยสมาธิมุ่งตัวบริบูรณ์อยู่นั่นเองมีความสุขมากเลยเนะนี่ยขนาดมากขนาดนี้ยังติดเลยคือติดในความสุข ข, ของสมาธินั่นเอง ถ้าองค์ไหนปัญญาแกกล้าเห็นทุกข์เห็นโทษก็หลุดไปคารวะนี่จิตแกว่งตลอดใช่หไหมกว่าจะรวมเข้ามาจนถึงจิตอย่งได้ภูมิพระนาคานี่จิตรวมเข้ามาที่จิตและละกามไปถ้าไม่ละกามจิตไม่รวมเข้ามาที่จิตจิตจะไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจอุตรุดนะงั้นจะทําให้ถึงที่สุดนะยากมากเลยทําให้ได้อนาคาก็ยากแล้วละ่ะนะแต่ขั้นโสดาสกตาคาร์นี่คารวะไม่ยากเท่าไหร่ สมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะฆราวาสได้ธรรมะเยอะแยะไปนะหลายองค์ท่านได้ธรรมะตั้งแต่ยังไม่บวชนะฟังแล้วก็ได้ธรรมะแล้วขอบวชทีหลังนะงั้นพวกเราเป็นฆราวาสไม่ใช่ว่าต่ําต้อยนะอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจริงไหมอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆ เ, นะเวลาสองสนาทีมีค่าทั้งสิ้นเลยเอามารวมกันนะที่เราทิ้งครั้งหนึ่งสองนาทีสานาทีรวมกันวันๆหนึ่งเยอะมากนะหลายชั่วโมงนะ แล้วถ้าดูเป็ น, นเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราบอกว่าทํางานเยอะทําไม่เยอะจริงหรอกเวลาส่วนใหญ่ที่พวกเราไปใช้นะเราใช้ใจลอยเราใช้เวลาไปกับความใจลอยเนี่ยเกือบหมดเลยวันวันหนึ่งนะที่ว่าตั้งใจทํางานตั้งใจทํางานนะประมาณ4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะแล้วเวลาที่เราจะคอนเซนเทรตกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างการฟังธรรมเนี่ยเราคอนเซนเทรตได้45นาทีเท่านั้นนะหลังจากนั้นจิตเราจะแหว่งนะ งั้นเวลาคนนิมนต์หลวงพ่อปิเทศนะกาหนดเวลามาเลยสามชั่วโมงหลวงพ่อบอกไม่เอาเทสให้หมูให้หมาฟังแล้วเพราะอะไรใจมันหนีไปไหนหมดละไม่ใช่มนุษย์ละนะเทสจริงๆมนุษย์รับได้แค่สี่สิบห้านาทีโดยสรีราของพวกเราโดยจิตใจของพวกเราโดยสมองของพวกเรารับได้แค่นั้นนะ่ะหลังจากนั้นเบลอแล้วไม่ไม่ชัดแล้วนะความสนใจก็ไม่มีลนะงั้นเวลาหลวงพ่อเทศนะั้นไม่เกินสี่สิบห้านาทีนะ แล้วก็ตอบคําถามนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ตอบคําถามใช้แรงเยอะกว่าเทศนะเทศบางทีไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดเลยนะมีปากก็เทศไปงั้นแหลนะเราไม่ต้องคิดหรอกนะแต่เวลาตอบคําถามนะต้องสังเกตนะบางคนมันถามเรื่องหนึ่งนะจริงๆอยากถามอีกเรื่องเจอหน้าหลวงพ่อแล้วตกใจถามไปอีกเรื่องหนึ่งเอนะเราต้องค่อยๆตัดลมดู <c oughs> ไปคนละเรื่องเล บางคนก็ตั้งใจมาอย่างดีเลยจดมานะจดมาเยอะเลยพอถามแล้วก็ตื่นเต้นหลวงพ่อตอบอะไรไม่รู้เลยกลับบ้านไปถามคนที่มาด้วยกันว่าหลวงพ่อพูดอะไรกับฉันน่ะฉันก็ไม่รู้เธอก็ไม่รู้นี่นี้ก็มีนะแต่บางคนชอบฟังตอบคําถามบางคนชอบฟังเทศนะก็แล้วแต่แล้วแต่สนใจ แต่ตอบคถามก็ไม่เกินสี่สิบห้านาทีเทศก็ไม่เกินสี่สิบห้านาทีรวมแล้วได้เท่าไหร่ชั่วโมงครึง่งไหมหลวงพ่อไม่เกินชั่วโมงครึง่งเป็นวิทยาศาสตร์นะมไม่ใช่พระองคนี้เอาแต่ใจเทศเลยเอาแต่ชั่วโมงครึง่ง <c oughs> อ้าวเชิญส่งกันบ้านกราบนรรสการหลวงพ่อที่เคารพค่ะ อ, <c oughs> อย่างสูงไหม ยังสูงคแบบท่านประการที่คนรบก็มาอยู่วัดเวลาน้อยก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะเอาจริงล่ะค่ะอย่างนั้นโลภละก็เดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งด้วยสลับกันไปแล้วพอนั่งก็ตั้งตั้งสัจจะไว้ว่าเออจะวันนี้จะผ่านเวทนาให้ได้แหละถ้าไม่ผ่านจะไม่ลุกค่ะก็นั่งต่อต่อต่อไปความปวดมันก็ทวีขึ้นทวีขึ้นเป็น ชั่วโมงผ่านไปกันแล้วความปวดก็ปวดมากขึ้นจิตมันก็ไปเพ่งอยู่ตรงที่ความปวดพอพอพอไปเพ่งมากๆเข้าแล้วก็เอ๊ะจิตกับกายเนี่ยมันมันมันคนละส่วนกันนั่นนอย่างนี้ได้ประโยชน์ละอย่างนี้พอมันคนละส่วนกันมันก็เข้าใจคําว่าผู้รู้ผู้ดูอพอพอเข้าใจตัวนี้ปุ๊บมันก็มันก็ดูว่าอ๋อขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาของกูนี่ถ้าขาของกูกูต้องสั่งมึงได้ว่ามึงอย่าปวด ค่ะแล้วมันก็พอพอจิตมันเริ่มรับรู้ว่าเอะมันไม่ใช่ขาของกูมันก็ความปวดมันก็เริ่มซาซาซาแล้วมันก็หายไปความปวดก็ไม่ใช่กูอีก่ะความปวดนก็ไม่ใช่กูอีกว่ามันพอมันหายหายไปสักครู่หนึ่งมันก็เบาเบาแล้วก็นั่งไปได้เรื่อยๆก็เลยเข้าใจคําว่าผู้รู้ผู้ดูและจิตมันยาวรับจอดจิตมันรับรู้นะคะนั่นต้องภาวนาต้องให้ได้อย่างนี้ไม่ใช่เอาชนะเวทนานะ ฝึกเคียนได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเห็นเลยไม่มีเราล่ะร่างกายมันปวดไม่ใช่เราปวดเข้าใจเลยเข้าใจคําว่ารูปนามนั่นนั่นอย่างนี้เรียกว่าคุ้มค่านะมาอยู่วัดแล้วรู้จักรูปนามไม่รู้จักรูปนามไม่มีวันบรลุมรรคผลอกศัค่ะก็ขอกันบ้านค่ะได้ทาอีกสุมีผู้รู้ไปด้วยนะมีผู้รู้แต่อย่ารักษาผู้รู้ค่ะถ้าจงใจประคองรักษาผู้รู้จิตจะไปติดนิ่งติดเพ่งไว แล้วจิตมันก็ตื่นมันก็อยากทําต่อไปเรื่อยๆ น, นั่นแหละมันภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนแหล ะ, ะจนกระทั่งร่างกายอิดโรยก็พาร่างกายไปนอนเห็นร่างกายมันนอนนะแล้วมันก็นั่งไปเรื่อยๆมันไม่ปวดแล้วเดี๋ยวมันนั่งไปเรื่อยๆก็ปวดอีกแหละทางกลับนมัศการค่ะเราไม่ได้นั่งภาวนาให้หายปวดหรอกนะนั่งจนเห็นเลยไม่ไม่มีตัวเราที่ในที่ใดที่หนึ่งขาบนมัศการขานนมัศการหลวงพ่อคะ่ะ ก็หนังจากที่ใช้บริกรรมก็ทําใหเออ้เหมือนในชีวิตประจำวันอาจจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นแล้วก็กิเลสก็อาจจะเห็นบ่อยแล้วก็หายเร็วแล้วก็ช่วงที่ออนั่งสมาธิธรรมดานั่งไม่ค่อยได้ก็เลยใช้บริกรรมไปเรื่อยๆก็รู้สึกมันมันคำบริกรรมไม่เคยหายไปก็บางทีบางครั้งก็เผอดับบ้างในภาพรวมก็น่าจะต้อง กลับบ้านแล้วไปทาอีกนะกลับบ้านก็บริกรรมไปเออบริกรรมไปเรื่อยอจามหาบวกเคยบอกหลวงพ่อนะว่าท่านพูดโทท่านจะต้นจนจบนะท่านพูดอย่างนี้เลยบอกตั้งแต่เป็นโยมเลยเนะเรื่องเนี้ยหลังจากหลวงพ่อบอกก็เลยคิดว่าจะทำตามเอ่อหลวงตาโบนอะรนะคะก็รู้สึกว่าจะทดลองดูว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าภาพตัวก็น่าจะดีขึ้นนะดีดีอะต่อไป ครับนมาสการหลวงพ่อครับคือมีโอกาสได้มาอยู่วัดครั้งแรกครับก็รู้สึกโล่งแล้วก็โปล่งสบายจากการทํางานที่เครื่องที่ได้อยู่ตลอดเลยครก็ก็เลยรู้สึกมีมีมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือยังไม่ค่อยมั่นใจในในตัวตัวเองในการฝึกจิตนะครับคือว่าอย่างคำคำพูดที่หลวงพ่อกล่าวว่ารู้ทันจิตนะครับบางครั้งผมรู้สึกว่ารู้รู้ณขณะนั้น กับรู้หลังจากขนาดนั้นผมเลยยังไม่มั่นใจว่าการดูถูกต้องหรือเปล่าครับคือถ้าดูถูกต้องนะ้ะจะรู้ตามหลังนะจิตนะ่ะเช่นโกรธแล้วรู้ว่าโกรธเงี้ยต้องมีความโกรธเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ว่าโกรธได้ต้องหลงไปก่อนมีความหลงเกิดขึ้นก่อนถึงจะรู้ว่าหลงได้ถ้ากําลังรู้ตัวอยู่เนี่ยความโกรธไม่ปลู่ขึ้นมาให้เห็นมันจะเป็นการตามดูแต่ดูกายดูลงปัจจุบันนะกำลังมีอยู่เลยนะ ดูจิตดูจิตดวงที่ดับไปแล้วสดส ด, สดร้อนๆไม่ใช่ดับเมื่อวานแล้ววันนี้รู้อย่างี้ไม่ได้ต้องดับสดส ด, สดร้อนร้อ น, นแต่ดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันอย่างพยักหน้าเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเลยให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาตรงที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้สําคัญมากนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะย้ามากเลยให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยพราะเรามีจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดอนะ นจิตผู้รู้เราก็รู้อะไรรู้กายเห็นกายมันทำงานรู้ใจเห็นใจมันทำงานดูไปดูมาก็มันทำเองนะมันไม่ใช่เราสักตัวเดียวเํา ล, ล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ยค่อยฝึกไปเรื่อยขอบคุณมากครับทําสม่าเสมอนะกลับบ้านตั้งสัจจะไว้จะเป็นจะตายก็ต้องทำตั้งใจไว้อย่างนี้นะอย่าให้โลกมันดึงไปซะโลกมันชอบดึงไหมดอกมี เยอะพอสมควรครับอหรือเราไปดึงโลกโลกมันดึงเราหรือเราดึงโลกน่าจะเราดึงโลกโอสังเกตไหมบางทีจิตก็เข้าไปตะครุบเอามานะบางทีโลกก็ามาเย้ยยวนพอโลกเย้ยยวนเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่เราก็ไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเราขาดสตินะเราแหละไปคว้าเอาโลกขึ้นมาไปหยิบเอาโลกขึ้นมาอ่ะหมดละพวกที่อยู่วัด ต่อไปใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อบ้างเอางี้เอางี้ใครมาไกลๆบ้างมีไหมไม่ได้ถามแบบนี้นานเดี๋ยวจะพวกที่มาไกล ย, ยกมือไม่ทันมาจากไหนล่ะชัยภูมิอ่ะชัยภูมิไปส่งไปครับผมเคยมา ก, กับหลวงพ่อประมาณ6 7เจ็ครั้งแล้วครับแล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายังมีกฎลว่าประคองอยู่บ้างครับ ก็กลับไปสังเกตดูก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้ไดบอกครับอืก็ครั้งนี้ก็อยากจะให้อาจารย์แนะนําว่ายัางมีข้อบอกพร่องตรงไหนอีกครับก็พอเรารู้ทันนะเราไม่ไปประคองไว้นะจิตจะเริ่มเคลื่อนไหวมันจะฟุ้งแรงฟุ้งมากถ้าเราเคยเพ่งมาก่อนนะงั้นการทําความสงบเนี่ยเราไม่ทิ้งทําได้ทุกวันนะ แต่ทำแล้วอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยพอออกจากสมาธิมาก็ดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไปถ้าสมาธิไม่พอใจมันจะกระจายก็จะกระจายออกไปไม่ดีเหมือนกันสุดตรงกันคนละข้างข้างเพ่งไว้เนี่ยสุดตรงในข้างบังคับตัวเองเรียกอัตตาคิรมาฐานุโยกข้านปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจมันหนีไปเนี่ยเป็นการมาสุขาริการุโยคนะเราระวังความสุดตรงสองด้านแต่เดิมเราสุดตรงข้างเพ่ง พอเลิกเพลงเดี๋ยวมันจะเผลอไประวังตัวนี้แหละนะแล้วก็คอยรู้ตัวไว้ให้มันเข้าฐานจริงๆนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่รู้แบบอะไรอ่ะเออเ อ, อเผลอๆ อ, อ, อะไรหน่อยๆแล้วก็นึกว่ารู้อยู่ยางไงไม่ดนะีรู้ตัวต้องให้จิตมันถึงฐานให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆขณะนี้จิตถึงฐานไหมคิดว่าถึงครับฮะคิดว่าถึงครับคิดว่าถึงเหรอ จิตมีกำลังไหมอ๋อคิดว่ามีครับลองย้อนมาดูจิตซิย้อนดูได้ไหมหรือว่าพอย้อนมาดูแล้วมันเด้งออกไปสังเกตตอนนี้นะตอนที่เราจงใจดูจิตเนี่ยพอเราดูเข้าไปนะยังไม่ยันจะถึงที่มันจะตีดออกมาะอย่างเนี้ยจิตมันไม่เข้าฐานนะไปดูตัวนี้นะครับขอบคุณครับเอาต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อชวนเบอร์แปสิบหนึ่ง อยากให้หลวงพ่อช่วยดูให้ลูกชายหน่อยครับอายุเท่าไหร่สบปดครับฮะสิบปอ๋อนึกว่าตอนนี้18บแปดตกใจเลย18ตัวนี้ต้องคนแกละแล้วแล้วลูกชายลราได้ฝึกไหมอ๋อก็เขาก็ฝึกบ้างนิดหน่อยครับอายุขนาดนี้กำลังฝึกดีครับเด็กกว่านี้ก็จะฟุ้งมากไปหน่อยครับถ้าใครรู้ทันกิเลสนะ รู้ทันกิเลสตัวเองกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้เฉยๆอย่าไปว่ามันอย่าไปห้ามมันเอาแค่รู้นะฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆใจลอยรู้จักใจลอยไห ม, มถ้าใจลอยเราก็รู้ทันใจลอยจิตชอบแอบไปคิดมันถ้าใจลอยเราก็รู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันคอยรู้บ่อยๆอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะอนเอร์เก้าสินี่อยู่ข้างหน้า ดังๆหลวพ่อแก่แล้วหูตึงครับอ๋ อ, อนนยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้ยินตอนนี้เหมือนเหมือนผมว่าอะไรนะตอนนี้เหมือนเหมือนผมเดินไปตามทางครับแล้วหลงแล้วก็เหมือนสมมติว่าเหมือนมันมีมันมีไฟก้อนถ่านอยู่อยู่ด้านซ้ายก้อนน้ำแข็งอยู่ด้านขวาเปรียบเสมือนความสุขหรือความทุกข์ จะเป็นอารมณ์หรือว่าความคิดก็สุดแล้วแต่ในในในแง่มุมแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมเดินเดินไปแล้วพอเผิ่แป๊บนึงจิตมันก็จะไปจับจับก้อนฐานแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเด้งกลับมาแล้วเราก็เดินต่อกับความเฉยครับแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นในความเฉยตรงนั้นว่ามันจะอยู่นานมากน้อยแค่ไหนคือไปไ้ยนะให้จิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยครับจิตเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ตรึงไว้ไม่ประคองไว้นะ แล้วก็ตามดูไปจิตเข้าไปจับอะไรก็รู้ไม่ได้ห้ามแล้วก็รู้ทันเมื่อปล่อยขมันเองครับแล้วสักพักมันก็จะไปจับน้ําแข็งแล้วมันก็จะกลับมาแค่อย่างนั้นแหละมันก็สุดโต่สองฝั่งนะเดี๋ยวก็ไปทางโน้นเดี๋ยวก็ไปทางนี้ครับแล้วเราก็เดินต่อแล้วมันอยู่แบบนี้ครับทั้งวันมันเหมือนกับเราดูจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันเห็นเลยว่าเราสั่งมันไม่ได้จิตจะไปซ้ายหรือจิตจะไปขวาห้ามมันไม่ได้ดูจนกระทั่งรู้ความจริงของจิต จิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะดูเอาตรงนี้นะไม่ใช่ดูเพื่อจะอยู่ในทางสายกลางครับแต่ดูเพื่อให้เกิดตัญญาเห็นความจริงว่าจิตนี้มันของควบคุมไม่ได้ครับดูตัวนี้มันมันเหมือนภาวะที่มันเกิดเองไปเองมาเองดูอย่างนั้นแหละแต่ตรงที่อยู่กลางเนี่ยอย่าตึงน้อยครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ตึงไหมครับเพียงแต่เออก็รู้ว่ามันอยู่นานอยู่น้อยแค่ไหนก็แล้วแต่มันนั่นแล้วแต่มันนะ แล้วอย่างนี้มันถูกไหมครับถูกโดยทฤษฎีถูกนะแต่จิตตอนนี้เป็นยังไงจิตตอนเนี้อยู่ในทางสายกลางหรือเปล่าอเมื่อกี้จะแข็งหน่อยครับแต่ตอนนี้เบาลงครับตอนนี้ก็ยังแข็งไหมเทียบกับจิตของคนปกติอ๋ออั้นไม่ไม่ไม่ปกติเลยครับอ่าอย่างนี้สาวผ่านแล้วะถ้าบอกที่ทําอยู่ถูกไหมกําลังทําผิดอยู่นั้นบอกให้เราบอกว่าถูกก็ผิดสิครับนะถูกแล้วล่ะ ครับผมแล้วเราเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเหนื่อยขึ้นมาก็พักทําความสงบเข้ามามีแรงแล้วก็รู้กายรู้ใจต่อไปก็ เ, เห็นเลยจิตจับโน้นจับนี้ทํางานของมันได้เองแล้วก็กลับมาทําความสงบพักผ่อนเป็นช่วงๆไปนะเวลาเดินทางไกลเดินทั้งวันทั้งคืนเดินไม่ได้หรอกมัต้องพักบ้างก็พักกับความสงบ27 ลบกวนอีกนิดนึงครับมันมีอยู่อันนึงเวลาผมมองสมมติว่าผมมองหลวงพ่อหรือว่ามองอะไรก็สุดแล้วแต่แล้วมันมีอาการเหมือนกับเบลอเบลนิดนิดนะครับภาพมันไม่โฟกัสเนครับผมมันไม่มีจุดที่ชัดเลยเหรอไม่ครับเออมันหรือมันชัดแวบหนึ่งแล้วเบลอใช่ครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าผมเข้มที่สายตาหรือว่าเพิ่มความเข้มนิดนึงเนี่ยสมควรทํำไหมครับไม่ควรเพราะนั้นเราสติแรงเกินไปไม่ดีเลย จะเคลียดครับผมนั้นสุดต่งไปข้างบังคับแล้วครับเดี๋ยวไปทํานะไม่เดี๋ยบคุณแต่ถ้าเบลอมากก็ทํานิดๆหน่อยๆพอได้ครับแต่อย่าทำเย็นชินครับยี่สิบเจ็ดนักมัสการข้าหลวงพ่อเสียงดังนิดเถอะหลวงพ่อแก่แล้วมันไม่ค่อยดีนมัสการข้าหลวงพ่อออคือเหมือนมันไปติดอะไรอยู่สักอย่างอะค่ะเพิ่มเสียงหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลวพูดดังขึ้นค่ะเหมือนมันไปติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอะค่ะ ทำให้ไม่ค่อยรู้สึกยินดียินร้ายกับเรื่องอะไรอะคะ่ะอย่าให้ติดสิ ม, มันชอบเข้าร้องนี้คอค่ะให้รู้ทันว่ามันเข้าไปแล้วถ้าใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะติดหรือไม่ติดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ติดเนี่ยมันเกิดจะเข้าไปเกาะอยู่แล้วไม่รู้อะถ้ารู้ไม่ติดออกเดี๋ยวมันก็หลุดเองแหละเพราะงั้นทาไงดีก็รู้ว่าติดสิอยากหลุดรู้ว่าอยาก แล้คือหนอูถ้าเกิดนั่งสมาธิมันก็จะดิ่ด ง, ดงจมอะค่ะเอออย่าให้ดิ่งสินั่งรู้สึกตัวอย่าให้ขาดสตินี่หนูควรจะไปดูที่กายก่อนไหมคะดูอะไรนะไปเคลื่อนไหวที่กายก่อนไหมคะสมาธมิมันเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันแล้วละมีสติไปเรื่อยนะส่วนทําในรูปแบบถ้าจะนั่งสมาธิแล้วมันวูบลงไปหมดความรู้สึกเนี้ยไปเดินออก พยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้อย่าให้ขาดความรู้สึกขอบคุณค่ะสี่สิบสองนมันมัสการเจ้าค่ะเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะที่ผ่านมาก็ปฏิบัติรู้ตัวบ้างแต่เหมือนกับว่าไม่รู้ชัดนะคะแล้วก็เบลอเบลอคะ่ะมึนๆแล้วเบลอทั้งวันไหม ไม่ค่ะบางทีก็เห็นแต่เมื่อตั้งใจอะคะ่ะตั้งใจจะดูแล้วก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะเบอเบอรแล้วก็ปวดอย่าไปตั้งใจสิ <c oughs> บังคับตัวเองแรงไปค่ะนะให้มีความรู้สึกเกิดนะแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจงใจไปจ้องไปรอดูอะไรนี้จะหายหายไปเลยจะเบลเบลไปถ้าเราไปอยู่ๆเอาแนละ้วแต่ไปนี้ดูจิตแล้วปุ๊บว่างๆไม่มีอะไรให้เห็นนะเอาให้ความรู้สึกเกิดเราค่อยรู้เอา กลัวว่าจะไม่ได้ทําก็เลยตั้งให้ร<ห>ูว้ว่ากลัวค่ะนะถ้าเรารู้สภาวะลงปัจจุบันได้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีมัวบางคนรุ่มใจนะมัวทําไงจะหายมัวนะหาทางทำใหญ่ถ้ามัวเรารู้ว่ามัวนะแค่นั้นก็ใช้ได้ละอยากจะหายมัวอยากจะรู้ชัดรู้ว่าอยากยิ่งดีใหญ่เลยนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหลายนั้นมีอยู่แล้วตลอดเวลา เราก็แค่รู้ว่าตอนนี้สภาวะมันเป็นยังไงเช่นมันมัวรัว่ว่มัวอยากหายรู้ว่าอยากแค่นี้เองง่ายง่ายแล้วก็ตอนนั่งสมาธิอะคะ่ะพอใกล้ๆที่จะเข้าสมาธิก็จะปวดหัวะคะ่ะมีปวดหัวแล้วก็น่าจะกระตุกหรือไม่ก็จะบูบไปเลยไม่ดีนะ ทำสมาธิทำใจสบายๆดูร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูทำสบายๆอย่าให้มันน้อมไปเมื่อจ็สิบแปดกับน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ะของหนูฟังซีดีของหลวงพ่อคะ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่บอกว่ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ นูก็คือว่าเออตรงนี้มันเป็นอนัตตาหนูก็เลยดูว่าเวลาสภาวะมันเกิดเนี่ยหนูก็ปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งอะไรเงี้ยค่ะทีน่้ฮะแล้วเลยเอ๊ะมันยังไงทำไมมันไม่ใช่ไม่ได้เรียนรู้มันนะประโยน์มันทิ้งอ่ะฮะนี่หนูก็เลยมาฟังอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าเออมันบังคับไม่ได้เนี่ยก็คือว่าเราไม่มีอานาจไปบังคับมัน หนูก็เลยดูว่าเออมถ้าเราบังคับไม่ได้เนี่ยเราก็ยอมเหมือนจิตมันบอกว่าก็ยอมรับมันไปสิสภาวะอะไรมันเกิดก็ยอมรับมันลงไปอย่างเี้ค่ะมันก็เลยเออมันเป็นอย่างนี้เองใช่ค่ะนะถ้าเรายอมรับปรากฏการทั้งหลายได้นะใจไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจไม่ทุกน ะ, ะที่มันทุกข์ขึ้นมาเพราะมันยอมรับความจริงที่กาลังปรากฏไม่ได้ค่ะ ทีนี้หนูหนูดูอย่างนี้ไม่ทราบว่าดูอย่างหลังนี่ถูกอย่างแรกไม่ถูกนะจงใจปัดทิ้งอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งไม่ใช่นั่นทําด้วยโลภะแล้วอย่างหลังถึงจะใช้ได้เมื่อเห็นเปล่าขันแยกหรือยังค่ะค่ะเออมันแยกแล้วนะนะก็ดูไปดีหกสิบเก้าพ่อครับเช้านี้นี่มัวตลอดเลยฮะมัวหะเยอะก็ชอบไหม มีไม่ชอบเป็นระยะครับแล้วก็มีเฉยๆเป็นระยะวางน้รู้ไปนะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่ดีมากเลยถ้าเฉยก็ดูหน่อยเฉยเองหรือไปทําอะไรแล้วมันเฉยถ้าทําอะไรแล้วเฉยแล้วก็ใช้ไม่ได้มีไหมมีครับใช้รู้ทันอย่างนั้นแหละแทรกแซงช่วงหลังๆนี่บริกรรมได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าใจวางได้มากขึ้น ช่วงช่วงหลังๆนี่บริกรรมได้ครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยบริกรรมแล้วจิตจะค่อนข้างตึงตัวแล้วก็จะตึงที่วางคิ้วนะครับตอนหลังบริกรรมได้ให้บริกรรมไปธรรมดาธรรมดานะครับสบายโถภาวนาง่ายอยู่ตายับยากอะไรครับพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปเรารู้ไม่ใช่บริกรรมเพื่อห้ามหนีบริกรรมแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันไม่ใช่บริกรรมแล้วห้ามจิตไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง ถ้าพยายามห้ามไปคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมากไปตึงเกินไปถ้าแอ บ, บไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วไม่รู้ทันนี้อันนี้หย่อนไปนะเพราะฉั้นให้มันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเรารู้ทันนีนใช้ได้ด้วยครับครับอ่ะต่อไปนะจบยังจบแล้วครับอ้าเจ็ดสิบสามน้ำมันสการค่ะหลวงพ่อเคยเห็นสภาวะที่ที่ขันมันแยกกันนะคะคือตอนนั้น เหมือนว่าเป็นลมล้มลงไปหมดสติอะค่ะแล้วก็ตอนจังหวะที่มันค่อยค่ ย, คยฟื้นขึ้นมาค่ะก็คือตอนแรกมันเห็นเห็นจิตก่อนแล้วจิตมันก็เหมือนหลงคิดอยู่อแล้วก็คิดฟุ้งไปเรื่อยแล้วก็สักแป๊บหนึ่งก็ ห, หันมาเห็นกายเห็นตัวที่นอนอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวนั้นคือตัวเรา ค, ค่ะเแล้วก็จน แป๊บหนึ่งก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้คือตัวเราแล้วก็ค่อยเห็นว่าเรานอนอยู่แล้วก็เห็นความเจ็บที่ที่ล้มลงไปกระแทกแต่ตอนตอนแรกที่เห็นเนี่ยความเจ็บก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วความเจ็บกับกายก็แยกกันอยู่ค่ะแล้วก็จนอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เห็นความเจ็บเนี่ยกับกายมารวมกันแล้วก็ค่อยเห็นว่าความเจ็บนี้เป็นของเราค่ะแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับได้และถ้าขันมันมารวมกันนะมันก็มีตัวเราของเรา ถ้าขันมันกระจายออกมันไม่มีตัวเราของเรางั้นที่เรามาหัดมาฝึกกันเนี่ยมาฝึกจนกระทั่งขันมันกระจายออกไปโดยไม่ต้องรอให้หกล้มสลบก่อนถ้าขันมันกระจายอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทุกหรอกขันมันทุกนะแต่ใจไม่เข้าไปจับขันเลยได้ทุกกนแล้วก็แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่ปฏิบัติเนี่ยคือรู้สึกว่ามันเห็นทุกซายเยอะอะค่ะน่าดีแล้วล่ะเห็นทุกอเห็นแล้วไม่ชอบ เห็นแล้วไม่ชอบจนะให้รู้ทันปัญหาไม่ใช่เห็นทุกข์มากยิ่งเห็นทุกข์มากยิ่งดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ชอบทุกข์ต่างหากนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวนี้ในที่สุดเราก็รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลา ง, นะางนั่นถึงจะดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูกําลังจะไปต่างเรียนต่อต่างประเทศนะคะอยากได้ กันบ้านยาวๆจากหลวงพ่อไปดูเว็บไซต์วิมุตติปฏิปทาเอ้วิมุตติอะไรนะดอทเน็ไปดูเอานะสงสัยอะไรก็ไปถามเขาในนั้นแหละอ๋อค่ะแล้วเก่งๆนะค่ะแล้วหนูควรจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติก็มีแต่ว่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้กายรู้ใจให้มากๆอย่าไปแทรกแซงรู้ด้วยความเป็นกลางมิเท่านั้นแหละค่ะเคล็ดวิชานี้ไม่มากนะ แต่ถ้าตีเคล็ดวิชานี้แตกเนี่ยนะโอ้เราพ้นทุกเลยส่วนความรู้อื่นๆของแถมของเล่นเยอะแยะเลยนะตอนนี้เอาวิชาพ้นทุกก่นคนรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปรู้ด้วยความเป็นกลางเจ็ดสิบสี่ขอบคุณค่ะเวลาพวกเราพูดแล้วหลวงพ่อไม่ได้ยินหลวงพ่อจะเหนื่อยมากเลยเราต้องใช้พลังงานในการฟังนะ กรา บ, บนมสัสการหลวงพ่อครับเมื่อหกเดือนที่แล้วก็มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อครับแล้วก็หลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านไปคอนเนี่งหลวงพ่อประโมดไม่ให้เลยนะหลวงพ่อเมตตาเป็คนคมให้ <c oughs> ให้ฝึกเรื่องขณิกะสมาธิครับให้ผมมีวิหารธรรมอยู่อันหนึ่งครับก็ผมก็ทองพุโทโธสู่สุต โ, โธกัลุนามหันโนพอใจไปคิดกร็รู้ครับเออต้องการทีนี้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นประมาณสองสอย่างครับก็เลยจะหลงกลเรียนถามาหลวงพ่ อ, อข้อแรกครับปัจจุบันหลังๆนะครับพอหลังๆสติมันจะเกิดเองบ้างแล้วครับในระหว่างวันไม่ทราบว่าสตินั้นผมเกิดเองเป็นผลจากการปฏิบัติหรือผมจงใจไหมครับ การที่เราคอยรู้เท่าทันสภาวะเรื่อยไปสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับครับ ข, ข้อที่สองครับหลวงพอ่อคือพอมีระหว่างในรอบหกเดือนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนสมาธิตั้งมั่นดีขึ้นนะครับเราเห็นกระบวนการทํางานของจิตเลยครับว่าราคะจะเกิดมันเกิดแบบนี้นะนี่ครับอย่างนั้นมไม่ทราบว่าผมคิดไปเองหรืวอว่าผมเห็นแล้วนะเหมือนนะดูไปดีอย่างนั้นคือดีแล้วใช่ไหมครับ แตตอนนี้ข้อที่สามพื้ผลผมเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาหมดเลยครับในอันนี้คิดนำคิดนำอยู่ใช่ไหมครับยังคิดนำอยู่นะให้รู้ไปดูสภาวะไปเรื่อยๆแต่ไปจิตมันรู้จริงๆตอนนี้ยังคิดอยู่ใช่ไหมมันยังคิดนำอยู่มันสรุปเอาเองมันเลยไม่ปล่อยครนะถ้าจิตเขารู้จริงเขาปล่อยนะอย่างตอนนี้เรายังยึดอยู่รู้สึกไหมยึดอยู่ครับเพราะงั้นมันไม่ได้รู้จริงหรอกอ๋อครับปัญญามันล้ําไป ไปที่หนึ่งไหมครับดูซ้ําแล้วซ้าอีกไปเรื่อยนะแล้ววันหนึ่งปัญญามันพอครับกลับกอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มเลยครับนี่ไงไปดูซ้ําแล้วซ้ำอีกทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพอทำเหมือนเดิมครับผมครับแต่ถ้าจิตกระจายออกนอกนะให้รู้ทันตัวนี้ต้องระวังนะบางทีรู้รู้ดูไปเรื่อยนะสบายใจโล่งใจว่างแล้วก็ว่างๆอยู่นั้นแหละครับอันนั้นไม่ดีไม่ดีครับเออมันมีความสุขมากไปให้ย้อนกลับมาดูกายไว้ครับอันนั้นใจมันหนีออกนอก ไปอยู่กับความว่างๆสบายเผอเผอเพลิน เ, ปเปไปมีความสุขอย่างเดียวเลยไม่ยอมดูกายดูใจต่ออย่างนั้นไม่ดีต้องพยายามดูกายดูใจให้เยอะไว้ครับครับขอ บ, บคุณครับไม่มีใครบรรลุมรรคผลเพราะไปดูความว่างนะต้องมารู้รูปรู้นามสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนของเราเนี้ยมาดูตรงนี้เห็นจริงแล้วว่ามีแต่ทุกข์แต่โทษรูปธรำำปรมนามธรรมมีแต่ทุกข์แต่โทษด้วยจิตก็ปล่อยวาง ก็บรรลุธรรมเป็นลำดับลาดับเล่อยู่ๆไม่ยอมดูกายไม่ยอมดูใจไม่ไปดูแต่ว่างๆใจว่างๆมีแต่ความสุขมันก็ติดอยู่ในภพที่มีความสุขนะไม่ไม่ปล่อยวาง93บุญครั บ, บการนอสการหลวงพ่อครับทุกวันนี้ก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมมาตลอดนะครับหลวงพ่อแล้วก็ขอส่งขอโอกาสส่งกันบ้านในรอบแเจอ น, นะฮะ ก็เอเมื่อช่วงต้นปีเราก็เดินจงกรมอยู่ที่บ้านนะฮะทีนี้เดินไปประมาณชั่วโมงแรกก็รู้อรู้ความคิดที่เข้ามาแล้วก็รู้ทันแล้วก็ดับรู้ทันแล้วก็จับนี้ประมาณช่วงชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเอจิตมันก็ไปรวมอยู่ที่เท้าอนะฮะอยู่ที่การกระทบเขาก็มาบอกว่าเอาจิตคืออะไรนะฮะจิตอยู่ที่ไหนมันก็ปรากฏมาว่าเออ เอสิสภาวะที่เราไปรับรู้เนี่ยรับรู้การกระทบอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะนั่นคือจิตนะฮะอ่ามันก็อยู่ตรงนั้นไปประมาณ3มชั่วโมงเดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินรู้จิตแต่ระหว่างระหว่างทางเนี่ยฮะก็มีตัวมาบอกว่าทุกขณะจิตที่เดินเนี่ยอดีตไม่มีไม่มีความสําคัญไม่มีความหมายอนาคตก็ไม่มีความหมายมันอยู่ที่ปัจจุบันล้วนๆแล้วก็เขาก็บอกว่าทางเนี่ยคือทางถึงธรรมตรงนั้นปุ๊บจิต<อ>มันจนะนสว่าง ทางนั้นคือทางที่ถึงทำนะฮะทางอะไรนะทางที่การที่เรารู้ทุกขณะจิตนะฮะคือคือทางที่เราไปถึงทอครับถึงตอนนั้นมันก็มีปิติขึ้นนะฮะก็มีน้ําตาไหลก็กราบองค์พระพุทธเจ้านัตรงนั้นเลยครับแล้วก็พอผ่านมาเมื่อวันวิสาที่ผ่านมาก็มีไปปฏิบัติธรรมก็ขณะที่เราก็เดินเดินเดินภาวนาอยู่ะครับเป็นระเบียงศาลาสองชั้น เดินไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันก็คือจิตก็รู้รู้ดับรู้ดับนะฮะพอชั่วโมงผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปรวมที่เท้าอีกคือจิตมันก็เดินเดินด้วยจิตเดินด้วยจิตจริงๆเดินเดินเดินไม่มีอะไรข้างๆเลยฮะก็มันก็มองไปข้างๆมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะฮะแล้วก็จิตมันก็ไปรวมว่าเราเราแยกธาต เราเหมือนกับให้เขาลองแยกธาตุอะไรเงี้ย<ะ>เดินปุ๊บมันก็มารวบรวมะมันก็เห็นว่าตัวมีน้ําหนักะนะฮะเดินไปเดินไปปุ๊บมันก็มองผ่านกระจกนะฮะก็เห็นเห็นเห็นเราเดินผ่านแต่ไม่รู้ว่านั่นคือเราไม่มีความหมายฮะอืมแล้วก็เราเดินไปเดินน้ําหนักมันก็เริ่มมีเแต่ปุ๊บก็ลองมองเวทนานะฮะความปวดขึ้นมาขึ้นมาทีละคะขึ้นมาที่ขาขึ้นมาที่หลังขึ้นมาที่บ่าแล้วก็เราก็มองเวทนาไปเวทนามันก็อยู่ข้างๆอยู่รอบๆ ไม่มีตัวมารับนะฮะ hmm. แล้วก็รวมเป็นก้อนแล้วก็หายไปอ hmm. นะฮะแล้วก็มาดูสัญญาแล้วก็มองพื้นพื้นก็มันมีสีแต่ไม่ให้ค่าว่ามันคือสีอะไรอ hmm. นะมองไปข้างๆเห็นต้นไม้มันก็ไม่ไม่ให้ค่าว่ามันคือต้นไม้อืแต่รู้ว่ามันคืออะไรครับอ hmm. ืเดินคือคือก็แยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยจนไปถึงจิตนะฮะ hmm. จิตก็ก็มองอยู่ที่เท้ากลับมารวมที่เท้าอีกนะฮะว่าตัวตัวเนี้ยคือวิญ ญ, ญาณเนี่ยจิตมันก็รู้ของมันไปอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็อย่างนั้นก็คือเขาก็ลองรวมชาติก็รวมก็ดึงกายเข้ามาก็เริ่มมีน้ําหนักจากเดิมที่ไม่เคยมีน้ําหนักก็มาเริ่มมีน้ําหนักแล้วก็เวทนาเข้ามาจนกระทั่งครบครบทั้งห้าขันจิตมันก็เริ่มปล่อยมันก็บอกว่ามันหนักนะมันเหนื่อยก็ไปไปเหมือนกับอูที่ลมหายใจแทนนะฮะก็เหมือนกับพักพักผ่อนนะฮะจิตก็พักพักนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็ลองแยกชาแยกขันใหม่ ก็ลองแยกแยกแยกกายก็เดินได้เหมือนเดิมแยกเวทนาก็แยกได้แต่พอจะไปแยกวิญญาณมันเริ่มหนักครับมันไม่ไปอืสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ถอนออกมามาอยู่ที่ลมหายใจใหม่อก็คือทําอย่างนั้นเราก็พยายามจะแยกอีกมันแยกไม่ได้ละมันเริ่มนั่งนะฮะไม่เราไม่เห็นกิเลสนะครับมันโลภเสีก่อนครับกนะ็พอพ อ, พอหลุจักตรงนั้นก็รู้ว่ามันมีความจงใจเข้ามาตรงนั้นแหละตัวที่ถักวางมาไว้ตรงนั้นเราเราเรู้ไม่ทันครับหลวงพ่อ มัเป็นโลภะเจตนาครับก็พอผ่านตรงยันปลปุ๊บมันก็ยังมีความอยากที่จะกลับมาเหมือนสภาวะเดิมก็พยายามตัดครับให้รู้ทันใจที่อยากไปเลยตอนเนี้ยตอนนี้ตัวนี้ข ว, วางอยู่นะตัวอยากนี่แหละมันจะทําให้กลายเป็นว่าจงใจปฏิบัติไปครับแล้วเวลาที่เราแยกจิตออกมาเนี่ยจิตไม่ไปอยู่ที่เท้านะครับจิตไม่มีที่อยู่หรอกถ้าจิตไปอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นการแบ่งเพ่งอยู่ครับนะ มันจะไปรู้ตัวสบายๆรู้สบายๆกว้างๆสบายๆแต่ไม่กว้างขวางออกนอกไปนะครับแค่รู้สึกอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งหรอกคือสภาวะที่จิตอยู่ที่เทา้าความหมายผมคือเหมือนกับเป็นฐานอะฮะ เ, ออเหมือนกับมันก็รู้กระทบตรงนั้นนะฮะแต่ว่าคือช่วงคนรู้อยู่ข้างบนครับมีมีตัวรู้อยู่นั่นแหละต้อมีตัวรู้อยู่นะไอ้ตัวนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นแค่อาการครับเป็นวิญญาณครับ เป็นวิญญาณทางกายครับจิตผู้รู้อยู่ต่างหากครับไปฝึกอีกนะสมาธิไม่พอครับสมาธิไม่พอจิตฟุ้งไปครับ196ยเก้าสิบหก้นอย่ารีบนะการแยกธาตุแยกขันถ้าจิตทรงสมาธิพอนะขันจะแยกออกจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วขันมันจะแยกออกแต่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้นะขันก็มารวมกันถ้าฝึกจนถึงจุดหนึ่งนะจิตกับขันเนี่ยพลากออกจากกัน แต่ไม่ได้พากแบบน้ํากับน้ํามันนะถ้าพากเป็นสองชั้นไม่ใช่ของจริงหนึ่เก้าสิบหกนั่นอยู่ทางนอนกลับน้อมส ก, การหลวงพ่อครับเคยมากลับหลวงพ่อแล้วขอการบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูที่ไม่เป็นกลางนะครับออจากการปฏิบัติที่ผ่านมาผมว่าศีลคือบอริบูรณ์ขึ้นสมาธิผมว่าความตั้งมั่นคิดว่ามีนะครับออแต่ในส่วนของปัญญาเนี่ยก็คือผมคิดว่ากิเลสอะไรเนี่ยผมเห็น นะครับกิเลสหรือว่าช่วงช่วงนี้ที่เห็นมากขึ้นก็คือเรื่องของอัตตาแล้วก็เรื่องของมานะครับซึ่งถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะรู้สึกมันพองแล้วมันน่าเกียดดูอย่างนี้นะเห็นไหมมันไม่ใช่เราคือคือตรงนี้ครับคืออะไรที่เห็นอย่างกิเลสที่เห็นนะครับคือเห็นแล้วมันมันส่วนใหญ่มันจะให้ค่าครับแล้วมันก็ไม่เป็นกลางอย่างนี้ตลอดน้อยครั้งที่มันจะเป็นกลางขึ้นมาครับเอให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางนะดังนให้รู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น รู้ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าเขาไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องไปพยายามทําให้เป็นกลางแค่แค่รู้นะครับแค่รู้แค่รู้ว่ายินดียินร้ายส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นกลางครับเออนะอย่างนั้นแหละรู้ลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็สภาวะที่คนอื่นเขาเห็นเวลาที่เขาภาวนาเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมจะไม่เห็นนะครับเห็นแต่กิเลสแล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ตลอดทีนี้ฉันนั่นแหละดีแล้ว่คือมันจะทําให้ฉันท่าในการภาวนาเราน้อยลงครับ คือผมก็เลยเพิ่มฉันทนะโดยการที่จะฟังซีดีของครูบาอาจารย์แล้วก็อ่านประวัติครูบาอาจารย์อย่างนี้อพอจะได้ไหมครับได้ก็กระตุ้นให้ใจคึกคักในการปฏิบัติขึ้นก็ขอขออนุญาตหลวงพ่ออีกอย่างคือยอยากให้หลวงพ่อให้อุบายกับคุณแม่ด้วยครับในการภาวนาไหนล่ะคุณแม่คุณแม่นั่งเก้าอี้อยู่ตรงนี้ครับแล้วคุณแม่อยากภาวนาไหมหรือคุณลูกบังคับมันทำไม่ค่อยไหวใช่ ป่วยก็ ง, งอกก็แงะอยู่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยแต่เนี้ยไม่เป็นไรป่วยก็เห็นร่างกายมันป่วยไปนะ <c oughs> ถ้าใจมันกังวลว่าร่างกายเจ็บป่วยให้รู้ว่ากังวลค่ <c oughs> นะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยบางวันเราก็ห่วงลูกห่วงนอนห่วงนี่ขึ้นมาเราก็รู้ทันใจที่เป็นห่วงนะ <c oughs> วันไหนใจปลอดโปร่งร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่ง <c oughs> ก็รู้ทันว่าใจเราปลอดโปร่งยมคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยนะ แต่ละวันไม่มีเหมือนกันหรอกเวลาเวลาลูกนอนหลับแม่เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่ามาสวดมนต์บางทีก็พุทโธพุทโธแค่จะบาปไหม่ไไม่บาปตื่นมาก็พุทโธเลยยิ่งได้บุญใหญ่เลยะที่ก็สวดมนต์รู้สึกตัวก็มาสวดมนต์นี้จ้ะโยมว่าอะไรนะโยมถือไม้ไกลออกไปเรื่อยๆ ไม่บาปนะคะไม่บาปพุโทโธเยอะๆได้บุญค่ะ <Yeah. S 2> สมัยพุทธกาลนะ <c oughs> มีเด็กคนหนึง่ง <c oughs> มันชอบสวดมนต์มันจะบอกว่านโมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าท่องอยู่ได้บทเดียวนี่แหละนโมพุทธัสสะนนี้วันหนึ่งไปตกค้างอยู่หน้าเมืองเข้าเมืองไม่ทันนะอยู่นอกเมือง อพวกอสูรกายอะไรจะมากินนะเด็กนี่ก็สวดมนต์อย่างเงี้ยมันกินไม่ลงน ะ, ะเทวดารักษางั้นยมพุโทโธไว้อดีแล้วล่ะนัตักกัเออร้อยี่สิบครับนมัสการหลงพ่อครับส่งการบ้านข้างหลังสุดเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับก็ทุกวันนี้ที่ปฏิบัติก็ออตอนเช้าคือรถเมย์ก็นั่งสวดมนต์วัดเชา้า Hmm. ก่อนนอนก็สวมดมนต์วัดเย็นแล้วก็เ hmm. มื่อก่อนนั่งสมาธิครับแล้วมันก็เบอะเบอะหลงหลงไปมันวุบๆไปก็เลยเปลี่ยนเป็นขยับมือแบบอ uh, แบบของพ่ะเทียนก็ดีขึ้นครับแต่ว่าบางทีเมื่อขยับแบบสัหลังขยับครับไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ออืแต่ก็พยายามจะรู้ตัวดีพยายามรู้สึกไหมครับผม hmm. ก็สภาวะที่เห็น ก็มีมีครั้งหนึ่งที่เห็นว่าอบางทีความคิดผุดขึ้นมาถึงเรื่องเรื่องหนึ่งพอผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นว่าผุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวความทุกข์เรื่องนี้มันก็จะตามมาเหมือนเดิมมันก็จะเห็นตัวนี้มันก็จะดับไปอืครับผมขอหลวงพ่อช่วยแนะนำเลยครับว่าผมท ำ, ทำอย่างนีต่อดีครับไปทําถูกแล้วนะไปทําอีกฉีดมันก็พัฒนาขึ้นมาล้วไปทำเรื่อยๆ ทำจกนกระทั่งวันหนึ่งใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเห็นเลยกิเลสก็ของถูกรู้ร่างกายก็ของถูกรู้ดูไปบ่อยๆครับผมเออหลวงพ่อครับมีบางครั้งที่แบบทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีจิตมันคิดว่าคงรับไม่ได้มันพยายามจะดึงหรือพยายามจะผลักตัวออทุกข์นั้นออกไปให้อยู่ออให้อยู่ห่างออกไปเอออันนั้นให้รู้ทันเลยจิตเราไม่เป็นกลาง ครับจิตไม่ชอบให้รู้ทันครับให้รู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่มันเป็นจะดีหรือจะเลวก็ได้จะสุขหรือจะทุกข์ก็ได้นะจะเป็นบุญก็ได้จะเป็นบาปก็ได้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะเมื่อรู้แล้วยินดีให้รู้ทันเมื่อรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันตัวสำคัญอยู่ที่ว่าอันแรกรู้สภาวะให้ได้อันที่สองรู้สภาวะแล้วรู้ทันจิตที่ยินดียินร้าย ถ้ารู้ได้สองสเตปเนี่ยจิตก็เป็นกลางก็จะเห็นทุกอย่างด้วยความเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราดูแบบไม่มีอคติล้เป็นกลางนะงั้นรู้ทันสภาวะอันที่สองถ้าจิตยินดียินร้ายรู้ทันความยินดียินร้ายก็ดับจิตทก็เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะก็จะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงแล้วถึงจุดหนึ่งจิตก็จะปล่อยวางของจิตเอง เบอร์ห้าสิบแปดขอบคุณครับนี่อยู่ข้างหน้านั่งเก้าอี้ข้างหน้ามาตรการหลวงพ่อครับคือคือคตอนนี้มีเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมอะไรนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็เห็นบ้างครับเห็นโลกห่างออกไปไหมก็ตอนนี้มันมันดูเหมือนกับมันมองมันรู้สึกว่า ทุกอย่างมันเป็นเหมือนวงล้อครับอืมวันนี้เราทําอย่างนี้พวกนี้ก็ทําอย่างนี้เรื่องมันซ้ําๆมันเริ่อเบื่อเบื่กิเลสมันก็ของเก่านะธรรมะมันก็ของเก่าซ้ําอย่างนั้นแหละครับ้นถึงหน้าเบื่อในขณะที่คนทั้งโลกมันก็ซ้ําอย่างนั้นแต่มันไม่เบื่อไม่เคยเห็นคือตอนตอนนั่งสมาธิครับมันมีคือนั่งแล้วมันจะหลับ หลับแล้วมันจะเหมือนกับสับยระงกคือคอมันต้องพับลงมาข้างหน้าพอผมรู้ปุ๊บผมก็จะดึงกลับมาพอดึงกลับมันก็ไปอีกอืช่างมันนั่งต่อไปอีกหลังๆผมเลยปล่อยให้มันพับไปเลยได้ช่างมันครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตอนนั่งอ่ะครับมันจะมีความรู้สึกนึงเหมือนกับอิ่มใจพอเรารู้ว่าเราอิ่มใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาที่คําบริกรรมเหมือนเดิมรู้ว่าเป็นอย่างนี้ะไรรู้รู้อะไรนะมันจะรู้สึกเหมือนกับ ชื่นใจครับตอนนั้นอ๋อชื่นใจ<ะ>ครับได้ชื่นใจก็รู้ว่าชื่นใจก็ถูกแล้วครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองนี่มา น, นะค่อนข้างแรงมากเออนั่นภาวนาดีถึงจะเห็นคือเพราะว่ า, ว า, วามันรู้สึกว่าไปเทียบเขาเทียบเราบ่อยครับนั่นแหละมานะแล้วครับแล้วก็มันมีอันนึง่ะครับหลวงพ่อคือตอนเวลาเวลาเราเกิดโทสะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับเราอึดอัดมากเลยปกติผมจะรู้สึก พอโทรศาพท์เกิดเนี่ยมันจะรู้สึกพอรู้สึกทานปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดอีกอันหนึ่งก็คือมันจะทรมานนะครับพอมันเกิดโทรศัพท์จะทรมานมากมากเลยพอมันหายแล้วมันถึงจะพอมันพอเราเลิกเลิกโทรศั์แล้วมันก็จะดีขึ้นไปอะครับอันนี้มันคืออาการก็ธรรมดานะโทรศาพเกิดร่วมกับทุกขเสมอเลยอ๋อ พอโทรศัพท์ดับทุกก็ดับหนึ่งครับหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะครับแล้วก็จิตต้องเข้าฐา น, นอย่าให้จิตกระจายออกนอกไปตอนนี้ยังกระจายอยู่หลวงพ่อก็ว่างั้นแหละมันไม่เข้าฐานครับแล้วสมาธิที่มันหลับนี่คือมันมันกำลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันหลับไปไงั้นไม่เป็นไรมันเป็นชั่วคราวไม่ใช่กําลังไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่จิตมันเห็นอะไรต่ออะไรมากๆแล้วมันเบื่อ มันไม่เหมือนกันนะกับคนขาดสติครับอันนี้จิตมันเริ่มเดินปัญญามาช่วงแล้วมันเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปน่าเบือ่อพอจิตมันเบื่อไปทุกสิ่งทุกอย่าง น, นางมะมันนั่งปุ๊บมันจะหลับเลยมันหนีไอ้ช่างมันหลับพอหลับไปตื่นขึ้นมาพาวนาต่อครับขอบคุณครับมเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละครับหมดเวลาละเชิญนะ